อโอันยิงกับผู้ชายถ้าไม้ไม้ตาศบกันก็เหมือนฟ้าผาดังเปรียงนรกสุดแผ่นดินกันสวรานเอียง เพราะเหตุเพียงประเวณีนี้อย่างเดียว